ความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไม่ไล่ตามความสุขไม่ฟู้งไฟตะกายตนให้ผลทุกความสุขอยู่ที่ความพอใจชัยชน ถ้าผู้ฟังเคยมีอาการอย่างนี้มั้งไหมเนี่ ย, ยเช่นเวลาเราตื่นนอนมาใหม่ๆบางทีจะรู้สึกปวดศรีรษะหรือมึนศรีรษะซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากทางด้านร่างกายบางทีเราวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดนี้ก็ได้คือไม่มึนศรีรษะไม่ปวดศรีรษะ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 หรือบางทีเกิดจากการที่เรานอนไม่หลับบางครั้งอาจจะนอนแต่หัวค่าก็จริงอยู่แต่พอตื่นมาประมาณทักเที่ยงคืนกว่ า, วาเนี่ยมันไม่หลับแล้วตาโปรงเดี๋ยวใจมันก็คิดละแต่เนี้ยไม่หลับอันนี้คืออาการทางกายอาการประเภทเนี้มันก็ทำให้เรามุนศีรษะหรือ ป, ปวดศีรษะได้ถือว่าเป็นโรคทางกาย เป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเห็นว่าเป็นเรื่องของแปลกๆหลายคนก็มีอาการเช่นเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าขอให้เรารู้สักหน่อยว่าโรคแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ที่ร่างกายบางทีเราทานยาหรือเราได้พักผ่อนสักพักหนึ่งมันก็าหายแล้วไม่น่าพิจตกกังวลหรือถ้าไม่หายเราก็ไปปรึกษาคุณหมอนี่เป็นเรื่องทางการล้วนๆเลย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 ถ้าเราไปหงุดหงิดไปอึดอัดขัดเคืองทําไมมันจะต้องปวดด้วยทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้โรคแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหายสักทีเนี่ยเนี่ยเราไป บ, งบไปังคับไปฝืนกฎธรฎรมชาติบางทีมันทําให้โรคภัยเนี่ยมันเกิดอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะถ้าใจเราไปหงุดหงิดด้วยแทนที่เราจะเป็นทุกข์แค่หนึ่งเดียวคือเฉพาะร่างกายแต่กลับกลายเป็น ทุกสองเลยคือจิตใจด้วยทุกทางกายทุกทั้งใจเนี่ยเราก็ยังไม่ฉลาดยังไม่ฉลาดซึ่งบางทีร่างกายนี่เราเลือกไม่ได้หรอกนี่ต้องเป็นมันอย่างนั้นเองเดี๋ยวว่าแต่เราเลยคนที่มีบุญวาสนาบารมีมีอานาจมียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองก็ก็มีอาการทางกายอย่างนี้แหละ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 เรารู้เท่าทันในอาการของกายแล้วจิตมันสบายมันเกิดสุขเวทนาทางจิตอีกแหละนี่คืออาการของการดูจิตจิตที่เป็นสุขแต่เราก็ไปยึดติดไม่ได้นะความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็รับรู้ไว้รับรู้เอาไว้ถ้าเราไปติดในสุขในทางจิตแล้วก็เช่นมีปีติมีความพอพอใจ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 เป็นอาชีพของร่างกายก็อาชีพของกายเนี่ยมีความทุกข์เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไปบังคับบัญชาไนดะ้แต่เราสามารถช่วยแก้ไขบรรเทาเบาบางจากทุกข์มากเป็นทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยเป็นไม่ทุกข์ก็ได้แต่ละร่างกายนะแต่ก็ได้ชั่วคราวนะเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกเราลองมีสติตามรู้บ่อยบ่อยเนี่ยเราจะเข้าใจใน อาการของกายแล้วจิตใจเราจะดีด้วยมันเกิดปัญญาในทางจิตบางที่ปล่อยวางกายไปในตัวเลยอาศัยเขาทําหน้าที่ดูแลเขาตามสมควรแต่ใจเราไม่เป็นทุกนี่แหละคือเวทนาทางด้านร่างกายก็ดีหรือเวทนาทางด้านจิตใจก็ดีจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ย แล้วก็เอามาเจริญสติได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูจิตเหมือนกันเป็นส่วนของเวทนาเนี่ยอาการมึนศีรษะเนี่ยมันเป็นท่าน้านร่างกายแต่บางทีเกิดจากจิตใจร่วมด้วยก็ได้นะเนี่จิตใจเราเนี่ยมันก็นําความมึนความปวดมาสู่ร่างกายได้เหมือนกันเพราะเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ย บางทีมันเป็นสาเหตุเรื่องที่เกิดขึ้นจากในอดีต ท, ที่มันผ่านไปนานแล้วมันเป็นสิ่งที่ประทับใจเราอย่นเหตุการณ์ต่างๆืางที่มันนึกขึ้นมาแล้วแหมมันขนหัวลุกในปัจจุบันก็ได้นะเอะเราเนี่ยผ่านเหตุการณ์นั้นมันได้อย่างไรหรือเกี่ยวกับเรื่องคนที่เราประทับใจ ทางด้านบวกและด้านลบมันมีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกขเวทนาปวดศีรษะมึนศีรษะไปได้คือคนเราเนี่ยจะมีจุดอ่อนในเรื่องของความคิด <c oughs> เคยมีไหมจุดอ่อ น, นเรื่องความคิดคือพอเราคิดเรื่องนิจใจแล้วก็มามันมทำให้เราต้องวุ่นวายทุกทีเคยไหมเรื่องบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราคิดเร้นึกขึ้นมาเลย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 ใหม่ๆจะมีความสุขและต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีความทุกข์ตามมาทันทีเลยเคยไหมพอเริ่มคิดแล้วมันจะเริ่มสนุกละเดี๋ยวถอะต่อไปเนี่ยจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยที่เขาเรียกว่าอะไรขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่พอหลาลงไปเนี่ยกลายเป็นบ้องกัญชามีปัญหาแ ล, แล้วเพราะเรื่องในอดีตเนี่ยถ้ามันเริ่มเกอะตัวขึ้นแล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนยาบุตรนะอย่าไปจมอยู่กับ